เรื่องกระถินไม่เป็นอันกราน308ริกษุทั้งหลายกระถินย่อมเป็นอันกรานอย่างนี้ไม่เป็นอันกรานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กระถินย่อมไม่เป็นอันกรานอย่างไรกระถินย่อมไม่เป็นอันกรานอย่างนี้คือ 1. กระถินไม่เป็นอันกราน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 ด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาตด้านหน้า 11. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงดามผ้า 12. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงย้อมผ้าเป็นสีหม่นสิกถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิตได้มา 14. กถินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่พูดเลียบเคียงได้มา 15. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ยืมเขามา 16. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน 17. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เป็นนิสกีสิบกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ทาพินทุ 19. กถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากสังคาติยีสกถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากอุตตราสงยี่สกถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากอันตรวาศก22กถินไม่เป็นอน ان, service, którzy, ันกรานเว้นจากจีวรมีขันห้าหรือเกินห้า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 กะถินชื่อว่าไม่เป็นอันภิกษุกรานอย่างนี้แล